และพระประยุร ญ, ญาต์ถวายพระนามว่าสุตโสมเพราะมีพระพักดังดวงจันทร์และพระอัธยสาสัยน้อมไปในการศึกษ า, าเมื่อเจริญวัยพอเสด็จไปศึกษาได้แล้วพระราชาจึงทรงพระราชทานลิ้มอย่างดีราคาพันหนึ่งแก่พระราชกุมารส่งไปยังเมืองตา ก, กศิลาเพื่อศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักอาจารย์ทีิสาปามโมก